เรามาได้สวดอ้อนวอนกับทิงศักดิ์สิเราสวดเป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าแต่เราสวดทุกบทที่ผ่านผ่านมามีความหมายทุกบทอย่างบะหุ่งเวสระณังยันติตัปปตานิวนานิจักนนี้ก็เกี่ยวกับให้พวกเราถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นารณะเป็นที่พึ่ง ไม่ถือภูผาป่าไม้เป็นสถานะเป็นที่พึ่งไม่ได้ให้ยึดอย่างอื่นเป็นที่พึ่งแทนให้ยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสถานะเป็นที่พึ่งบทที่สองอาเซวานาจะบาลา น, นังการไม่คบคนผ่านบัณฑิตานังจะเซวานาให้คบแต่บัณฑิตปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเอตามังสรารุตตะมัง อันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดค้างว่าไม่ได้สวดเพื่ออ้อนวอนในบทพระบาลีต่างๆเป็นบทบทพระคาถาหรือว่าเป็นบทกล่าวเตือนพวกเราทั้งนั้นอย่างกรณียเมตสูตรก็เหมือนกันทําไมจึงมีกรณียเมตสูตรความเป็นมาในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการ มีพระสกสุไปบําเพ็ญอยู่ในป่าในที่สง บ, งบเงียบต่างองค์ก็ต่างไปบําเพ็ญอยู่ในที่พักกลางวันและกลางคืนของตนอย่างพวกเราพักอยู่เดี๋ยวนี้แหละอืมคือมีกุฏิเล็กๆหรือว่าที่พักเฉพาะตัวแต่ในป่านั้นมันเป็นมีอมนุษย์อมนุษย์น่คือพวกมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ถ้าจะว่าไปก็คือเป็นพวกภูมิภูมิมเทวดารุกขเทวดานั่นน่ะอยู่ในป่าพอเห็นพระสิสุทั้งสามสิบรูปเข้าไปก็มีความยินดีอยากจะให้พระท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่านั่นน่ะพอพระท่านก็เข้าไปบำเพ็ญอยู่ในป่าคิดว่าวันพรุ่งนี้ท่านคงจะออกไปกันมั่งท่านพักมาหลายวันแล้ววันมะลืนนี้ท่านจะออกไปมั่ง พวกภูมิทั้งหลายคือไม่อยากจะให้ท่านอยู่พบท่านอยู่เขาไปท่านเป็นผู้มีศีลพวกภูมิทุกขเทวดาทั้งหลายอยู่สูงกว่าพระเขาก็ครัวเป็นบาป เ, เขาก็เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของเขาหลุกเล็กเด็ ก, กแดงอะไรในะลักษณะนั้นแ่ละทีนี้พระทั้งหลายก่อท่านเขาไม่ไปง่ายเพราะท่านบ่มเนพนภาวนาท่านเป็นที่สัปปายะของท่าน ทานกบองเพนอยู่นั่นทีนี้พวกภูมิทั้งหลายก็อยากจะให้ท่านออกไปใช้าำว่ากันแกล้งที่จะให้ออกไปพระเวลาท่านไปภาวนาอยู่ในป่ากลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีก็มีของแปลกให้เห็นจะมาเห็นคนหัวด่วนบักหัวขาดฟังลักษณะเนี่ยทําให้ภ้าพิสู่เหล่านั้นตกใจกลัว ก็เลยคันคนนั้นก็เห็นองค์นี้ก็เห็นท่านก็เลยปรึกษากันโอ้พวกเราคงอยู่ไม่ได้ทําไมปแปลกๆเจ้า น, นี่ก็เลยพาคันออกจากป่านั้นไปแล้วเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามเป็นไงพวกเธอบอาเพนอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นผ้าสุขดีอยู่เหรอพระภิกษุเหล่านั้นก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยให้เรียนกรณียเมตสูตรอืมเอาพวกท่านทั้งหลายเรียน อพระคาถาเนี่ยกรณียเมตตาสูตรพระสงฆ์เหล่านั้นเคยเรียนพอเรียนจบแล้วพุทธองค์ให้กลับมาบําเพ็ญอยู่ที่เก่าพุทธองค์บอกว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงป่านั้นให้พวกเธอสาธยายกรณียเมตตาสูตรนี่นะเดินทางเข้าไปสวดไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานที่สิ่งที่พวกท่านได้เห็นจะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นในสถานที่ท่านพัก พระสงฆ์เหล่านั้นเกิปฏิบัติตามเมื่อเข้ามาอยู่ก็ไม่มีอะไรพวกภูมิพวกลุกข่าทั้งหลายก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายเย็นอกเย็นใจด้วยการอานุมทนาจากนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นท่านก็พุทธปฏิบัติจนได้สําเร็จมรรคผลตามความปรารถนาความความประสงค์ของท่านนี่แหละจึงได้เกิดมีกรณีเมตสูตรขึ้นมา เราที่เราสวดไปสักครู่นี้ลนะ่ะเราไม่ได้สวดเพื่ออ่อนวอนไม่ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสวดเป็นบาตพระคาถาที่พระพุทธเจ้าที่เราอยากจะรู้เรากับมีคำแปลไว้อยู่เราไปอ่านคำแปลก็ได้นี่แหละจะพวกเราตั้งอกตั้งใจหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติแนวหน้าก็ให้เข้มงวดกวดขัน พยายามตรวจตราดูตนเองเสมอโดยเฉพาะเรื่องศีลเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สําคัญพระสงฆ์จะสวยงามได้ก็ด้วยศีลจะเป็นกฎมีระเบียบได้ก็ด้วยศีลพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามาจากสกุลต่างๆมาจากสกุลสูงก็มีชาวไร่ชาวนามีพร้อมบริบูรณ์ แต่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาและเป็นศากยบุตรพุทธชิ น, นรสเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็เอาหลักคำวินยัยเป็นแบบเป็นฉบับเป็นกฎ เ, เป็นเกณฑ์แต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์อยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระเบียบพระสงฆ์คณะสงฆ์เหล่านั้นก็สวยงามว่าสังฆสูรพนาความพร้อมเพียงของสงฆ์ทำให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปได้เหมือนกับนายมาลาการว่างๆนั้นนะ เอาดอกไม้หลากสีสีแดงสีเหลืองสีอะไรหลายๆลายสีเอามาล้อยเข้าพวงมาลัยดูแล้วก็สวยงามอันนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์มาจากใจตุรัิจมาจากศิลป์ต่างๆมาอยู่ร่วมกันแต่ยึดเครื่องศีลหกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์บัญญัติเอาไว้กันอยู่ร่วมกันก็มีแต่ความผาสุก เย็นใจแต่ถ้าหาว่าพวกเราไม่อยู่ในศีราจารวัตไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมต่างคนก็ต่างอยู่ไม่มีกตไม่มีเกณฑ์ก็หาความร่มเย็นผาสุกไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้มีความพร้อมเทียงมีสาความสามัคคีกันอย่างที่พูดจากคู่นี่แหละปีนี้แต่และปีฝ้าใหม่ขนใหม่ ถ้าหากว่าลมพัดโดยมากจะมีลมแรงแต่วัดของเราเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้สูงถ้าจะว่าไปก็เป็นไม้ที่น่ากลัวทีเดียวแต่ว่ามันยืนหยัดความพอหมู่ของมันมันเป็นหมู่เป็นคณะมันรวมกลุ่มกันมันก็สามารถที่จะต้านลมได้แต่ถ้าหากว่าไม้มันอยู่เดียว ตามกลางไร่กลางนาของเขาเนะ่ะโดยมากมันจะโค่นละเนละนาดเพราะมันไม่มีหมูมีเพื่อนอันนี้วัดของเราเนี่ยปันไม้มันแน่นเออทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ถ้า ม, มาประทะเข้าไปมันก็มันอิงอาศัยซึ่งกันและกันป่ามันก็อยู่ได้สรุปแล้วก็คือความพร้อมเพียงความสามัคคีนั่นแหละทำให้คนเป็นกลุ่มเป็นหมูเป็นคณะอยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุก ครอบครัวใดก็ตามพระสงฆ์คณะกลุ่มใดก็ตามถ้าหว่าไม่มีความพร้อมเพียงไม่มีความสมัครใจก็หาความสุขหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จะเป็นสำนักงานก็ด้อันไหนก็ดีประเทศชาติไหนก็ดีร่างกายของคนเราก็เหมือนกันอาการสามสิบสองทำมันแตกสมัครใกันส่วนใดส่วนหนึ่งเจ้าของก็หาความสุขไม่ได้ เจ็บตาปวดหูอย่างเนี้ยร่างกายนั่นก็หาความสุขไม่ได้เพราะหูจะแตกสมรคีตาจะแตกสมรคีคนนั่นก็หาความสุขไม่ได้เพราะมันเจ็บมันปวดอืออันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้าหากว่ามีความพร้อมเพียงมีความสมรคีกันอะไรทําอะไรช่วยกันคิดช่วการอ่านช่วยกันทําตักเตือนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าออืเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้า ที่ท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้คือถ้ามีความพร้อมเพียงมีความสมัคคีกันท่านยังมีชาดกขึ้นมาถ้าหากสัพพสัตทางหลายดวงมนุษย์ทางหลายสัตว์ทางหลายถ้ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันก็เอาชนะศัตรูได้ท่านยกตัวอย่างอย่างหมูป่าเนี่ยหมูป่าเอาชนะเสือได้ ถ้ามีความพร้อมเตียงสามัคคีกันแต่ถ้าว่ามันมีความสมัคคีกันหมูเสือจับไปทีหมดนั่นแหล ะ, ะท่านเลยยกตัวอย่างให้ฟังในพระในครั้งพระพุทธเจา้าท่านายกตัวอย่างเรื่องชาดกคือพระเจ้าปัจเศ ส, สนิโกศนเป็นพราชาแคว้นโกศนแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคือคือพระเจ้าพิงพิสารเกี่ยวดอง ซึ่งกันและกันแต่งานในเชื้อพระวงศ์เกี่ยวพันกันต่อมาก็พระเจ้าอาซาสตูกข่าพระบิดาทําให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่ยขัดเคืองที่เป็นพระเจ้าลุงเนี่ยขัดเคืองหลานเหมนงั้นเถอะคือก่อนหน้านั้นมหาพระเจ้ามหาโกศลเนี่ยยกพระราชธิดาให้พระเจ้าพิมพิสารก็คือเป็นแม่ของพระมารดาของพระเจ้าอาซาสตู พอพระเจ้าศัตรูองค์พระสนพระบิดาพระเจ้าประเสนทิโกสนนี่ก็ไม่พอใจกันเลยยกไปตีเอาแคว้นกาสีคืนมาเงินเด้อนก็น เ, ลกเลยสู้กันกับหลานหลานชายพระเจ้าเป็นดินยกพลยกพลสู้กันสู้ทีไรก็สู้หลานชายไม่ได้เขามีกําลังวางสาแข็งแรงกว่าเขาจัดตรียมได้ดีกว่า ตอนนี้ก็พอผ่าแพ้หลานชายก็กลับมาก็มาปรึกษาปารบกับเจนาอมหมายออกความคิดเห็นว่าจะเอาอยัางไงมีคนหนึ่งเสนอแนะบอกว่าเอพระในวัดป่าเชตวันเนี่ยเคยเป็นขราชการผู้ใหญ่ก็มีผู้มีสติปัญญาก็มีไปบวชอยู่นั่นน่ะผมว่าท่านคงจะสนทนากันแล้วไปฟังความคิดเห็นของท่านดูเมื่อท่านสนสนทนากัน เราอาจจะได้ความคิดดีๆอมืมาปรับปรุงกองทัพของเราที่จะสู้กับพระเจ้าและกษัตริได้นะก็เลยตกลงกันก็เลยให้จารบุรุษว่างั้นนะวันนี้คือคงจะเป็นสันติบาลนั่นนะนะ่ะคอยฟังพระสงฆ์พูดกันทีนี้วันหนึ่งมีพระแก่สององค์ที่บวชภายแก่อยู่ท้ายของวัดป่าเชตะวันนะตอนด็กติด ก, กลางคืนคือคงจะนอนไม่หลับนะนะั่นน่ะเลยมาลุกมาเออถามเป็นไง แต่ถามว่าได้ยินว่าพระเจ้าประเสริฐไปรบกับหลานชายไม่นชนะนาว่างั้นนะสองพาลาอจารบุรุษคือตำรวจเขาก็ดักฟังเป็นไงโอ้ถ้าว่าพระเจ้าประเสริฐวางแผนดีๆนะผมว่าชนะได้เงี้ยองคหนึ่งก็าถามมาทํำยังไงองหนึ่งกับบรรยายเลยเป็นบอกว่าคือระหว่างแคนกาสีกับโกศลกับพระสกุลเน่ะมันมีภูเขาอยู่นง ในช่องนั้นพอพระเจ้าชาตรูคิดว่าจะไปลบแล้วกว็วางทหารไว้ในแนวช่องเขาเนี่นนะไว้ทั้งสองข้างซุ่มเอาไวนะ้อย่างนันแล้วก็เอาทหารหมหนึ่งไปลอบลบกับพระเจ้าชาติตรูพระเจ้าชาตรูก็ตะกันา ม, มาทันี้ก็ถอยถอยถอยถอยเห่างนันพอผ่านเข้ามาในช่องเขาเลยก็พวกทหารตัวนั้นก็นกนลงมาปิดช่องเขาเลยทีนี้ตะกันหนาเข้าไปแล้วก็จับได้ท่านนั่นแหลนะอย่างนัน ทีนี้พวกนั้นก็ได้ยินกันแล้วมาพูดให้พระเจ้าพระเสียรฟังพระเศียรเออใช่อย่ากนั้นก็เลยจัดกองทัพไปปฏิบัติอย่างที่ว่านั่นฟุ่มทหารเลยสองขางฝากทางในุบเขานทำจนเกิ ด, ดจับพระเจ้าอาซาศัตรูได้แต่ี้เกิดความเล่าล่ํำลือบอกว่าอื้พระสงฆ์พระแก่สององค์นี่สนทนากันเขาก็เลยจับไปนั่นพระองค์บอกว่า พระองค์เนี่ยไม่ใช่วางแผน้แต่แต่เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนเขาเคยเป็นหมูเคยวางแผนเอาไว้เหมือนกันท่านก็เลยพระสงฆ์ท่านกเลยกราบพูดว่าในอดีตชาติเป็นยังไงพระองค์บอกว่าอยากจะฟังเลยท่านก็เลยเทศก็เลยเล่ามิทานในอดีตชาติให้ฟังคือพระองค์นี้แต่ก่อนแต่ว่าสมัยหนึ่งเหมือนกันมีนายช่างไม้ไปหาไม้ในป่าไปเลยไปเจอลูกหมูป่าเหมงอนกัน มันตกบ่อมันขึ้นไม่ได้ในช่างเลยเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านพอเอามาเลี้ยงไว้แล้วหมูป่าตัวนี้เป็นหมูที่ฉลาดเวลาในช่างไม้ถากไม้หมูป่าตัวนี้ก็ช่วยพลิกไม้ให้บางทีจะจับเส้นบรรทัดหมูป่าตัวนี้ก็ช่วยคาดเส้นบรรทัดถึงเชียนบรรทัดให้ดีดบรรทัดให้ถ้าช่างไม้ต้องการมีดผ้าสัวอะไร หมูตัวนั้นเอาฆ่ามาให้ในช่างบอกไอ้โอ้หมูตัวนี้นฉลาดท่าว่าเผื่อเราตายไปเนี่ยเขาคงจะท่ามหมูตัวนี้เอเราไม่ให้เขาฆนะ่าหรอในช่างนั่นก็เลยพาเข้าไปในป่าเอาไปปล่อยในป่าลึกๆเดินไปไปปล่อยในป่าพอไปปล่อยในป่าหมูตัวนั้นเอออยู่ที่นี่นะหมูนะมันเราจะกลับนะในช่างก็กลับหมูตัวนั้นก็อยู่ในป่าหมูก็ไปเห็นหมูพวกเพื่อนเยอะแยะเลนี้ เออพวกเราคงจะลมเย็นผาสุกดีเนาะมีหมูคณะเยอะแยะอาหารอุดมสมบูรณ์หมูปา่าเลยบอกโอ้ยจะสมบูรณ์จะผาสุกได้ยังไงมันมีเสือโคร่งมากินพวกเราอยู่เสมอวนงะั้นหมูปา่าตัวนี้เลยบอกเออเราจะทำยังไง อ, อ้าพวกเรามีตังเยอะแยะทําไมาจะสู้มันไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีพูดใดมันกระโจนเข้ามากระแตกกันกระจับไปกินทีละตัวทีละตัวอยู่ประจําวันอยู่ ทางนั้นพวกเราประชุมกันไม่ดีหรอรางั้นพวกเราต้องสู้มันสิตายเป็นตายทางนั้นสู้กันผันึกกันพร้อมเพียงสมัคคีกันไม่ว่าจะเสือล้วเอาชนะได้ทั้งหมดทางั้นถ้าเราพร้อมเพียงสมัคคีกันหมูทั้งหลายก็ยิน ย, มยอมกระยกให้หมูตัวนี้เป็นหัวหน้าพอยกให้เป็นหัวหน้ากันวางแผนแนะจะวางแผนขุดหลุมลงไปให้เหมือนกับกระโดงเนี่ย อืมให้มันก้นแหลมลงไปข้างล่างแล้วก็ทําเป็นหลุมอีกหลุมหนึ่งเหมือนั้นนะจากนั้นมากดวางแนวหมูที่มีเขี้ยวยาวเอาไว้รอบนอกหมูที่มีแอบกําลังน้อยแตอยู่ข้างในพอได้เวลาเสือมก็ออกมาหากินะนะอ่างีหมูตัวนี้ก็บอกหมูกันเสือมันทํายังไงเราทําอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องกลัวมันเหมือนกันนะ คนหรือเสือมามันก็นตะกูยมันก็นล้องหมูมันก็ร้องต่อบหมูไม่แตกเลยเป็นเสือไม่สามารถที่จะเข้ามาหามันได้ก็เลยกลับแต่แถวนั้นมีลือสีอยู่ลือสีโกงอยู่ตนหนึ่งว่างั้นอยู่ในป่านะั้นอยู่แถวแถวนั้นนะอยู่ก็เป็นเพื่อนกับเสือว่างั้นเถอะเห็นเสือเดินมาตามปกติลือสีเนี่ยนเวลาเสือไปคาบหมูได้มาเสือกินไม่หมดอลือสีก็ ต้มกินหมูอีกทีนหนึ่งว่างั้นเถอะกินเนื้อหมูอีกกินซากของเสือว่างั้นเถอะเป็นประจำแต่เวันนั้นเนี่ยเสือมันเดินกลับมาฤศีบอกเอ้ยเสือทําไมกลับมาวันนี้ไม่ได้หมูเหรอไม่ได้ฆ่ามันหรอไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอืออย่างเงี้ยไมนะ่หมูมันรู้สึกของมันต่อสู้เอ้ยเธอไม่รู้กำลังของเธอไปกลัวอะไรพอไปเธอก็แผดเสียงกระโดดเข้าไปเลยมันก็แตกหนีก็จับั็ได้หรือศีบอก เสือพอได้ยินเนี่ยจโจรอย่างที่วานพอเข้าไปเขาไปเห็นหมูตัวหนึ่งตัวใหญ่ที่เป็นหัวหน้าผูงแล้วมันคอยท่าอยู่ในกลางหมูเสิมก็โจรเขาใช้พอโจรมันทิกรอกยังไงไอ้นี่นหลบอ๊บลงไปเสือจะตกหลุมที่หมูขีดเอาไว้พอตกหลุมมือขึ้นไม่ได้ตบบนี้เ อ, อีพรมันถูง ม, มันแคบลงไปทางล่างหัวชุกกลงไปทางล่างหมูตัวนี้ก็ลงไปกัดเสือตายพอตายแล้วแบบ หมูทั้งหลายก็ลุมกัดกันเลยถึกินเสืออีกถึงเขาบอกว่าโอ้เสือตายแล้วแี่ไม่มีอส ต, ตูร์แล้วนี่ยังมีลือสีอยู่ในเนี้ยอยูสีโกงน่ะเดี๋ยวมก็จะเอาเสือมาให้กินพวกเราอีกอยู่ที่ไหนออยู่ที่โน่นหนึ่งหมูจะนหัวหน้านะพาไปไล่ลือสีอีกลือสีขึ้นต้นมะเดือ่อหมูก็ค้นต้นมะเดื่อลงอีกกินลือสีอีกนี่แหละ คือความพร้อมเพียงสมรู้ขนาดหมูก็ยังชนะเสือได้กูบาวัดเราระวังอดีกนแล้วกันนะหมูป่าขึ้นมาเยอะๆเข้ามาเนี่ยจะไปแยกับหมูนั่นไม่ได้นะมันเอาจริงๆนะหมูปานะ่า <c ười> คือทางนี้ทางนั้นก็คือสรุปแล้วก็คือความพร้อมเพียงสมรู้ปราบศัตูได้เหมือนกับไม้นะี่ยน่ะถ้ามันดินจัดอยู่มันก็ต้านลมได้ วความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีของป่าคนก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เหมือนกันครอบครัวใดก็ตามมีครอบมีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีนะ่ะเกิดสุขทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหาว่าความคิดความเห็นแตกแยกกันไม่สา ม, มัคคีกันหาความสุขไม่ได้ละ่ะศัตรูก็เข้ามาลังแกเบียดเบียนได้ไ ง, ง่ายๆนี่ว่าธรรมะสา ม, มัคคีความพร้อมเพียงทําให้เกิดสุข พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานหละเป็นหลักสำคัญสมถะมีปัจฉนาสมถะกรรมฐานที่มีปัฒฉณากรรมฐานพยายามทำให้ต่อเนื่องตื่นกลางคืนมาเงียบสงบพอตื่นรู้สึกตัวขึ้นมากพิจารณาดูร่างกายนั่นอ่ะโอ้นี่เรายังไม่ตายนะยราเรายังระลึกได้อยู่ถ้าว่าคนตายเหมือนตนเรานอนอยู่นี่แหละ แกไม่มีสติกระดุกกระดิกไม่ได้แต่นี้เรายังกระดุกกระดิกได้แต่ว่าเรายังไม่ตายจากน้องก็หมดดูร่างกายของตนเองที่มันนอนอยู่นั่นอะ่ะ เ, เหมือนกับคนตายทุกอย่างแต่เพียงว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่อแต่ว่าคนตายมันมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพิญนา ถ, ถึงมรณะนึกสติระลึกถึงความตายร่างกายทุกส่วน อาการสามสิบสองในร่างกายของเราเนี่ย่ะมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงแก่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกขังเป็นทุ ก, กข์เจ็บไข้ได้กลวยทุกขเวทนาเกิดจากกายอเ น, นี่ยและอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบอกไม่ได้ใช่ไหมฟังไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายแต่จิตใจของเราเป็นหลง ไปลุ่มหลงกับาธาตุกับขันเนี่ยจึงไทยทําให้เป็นทุกข์จากนั้นก็พิจารณาร่างกายกับพิจารณาย้อนมาดูจุดตัวจิตดูใจตัวนามธรรมนี่น่ะพิจารณาย้อนไปนพิจารณาย้อนดูตัวเองที่มันหลงไม่ใช่ร่างกายมันมันหลงนะใจของเรามันหลงมันหลงกายอ่ามันจึงเป็นทุกข์เพราะนั้นแนะ่ะการภาวนาคือให้ดูใจนะนะั่นแหะ แต่ถ้าว่าเราจะดูใจอย่างเดียวมันจับไม่ได้เพราะมันเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมค่อยนั้นท่านจึงให้พิจารณากายมันอยากที่มองเห็นโดยตาเนื้อมันเป็นยังไงเราก็รู้อยู่เจ็บก็รู้ปวดก็รู้แก่เท่าชราก็รู้เห็นอยู่ไม่เห็นตนคนตนเองก็เห็นคนอื่นอ่าก็เปรียบเทียบตัวของเรากับคนอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละ และนั่งภาวนาพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งกําหนดลมหายใจเข้าออกนะละัลเป็นหลักตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนยึดให้เป็นหลักจริงๆพยายามทําให้ต่อเนื่องจริงๆถ้าเราพยายามทําอยู่อีกสักวันหนึ่งต้องสงบได้แน่นอนพยายามทําให้ต่อเนื่องทําจนเป็นนิสัยแต่ละวันอย่าให้ขาดไม่ใช่แต่ละวันละ่ะ ต้องหาโอกาสวันหนึ่งให้ได้มากๆทีเดียวละ่ะเวลาเราพักเข้าไปกุฏิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะนอนอย่างเดียวนั่งพิจะะนารณาดูร่างกายนี่คือหน้าที่ของเราเนะี่ะพระมีหน้าที่อย่างเนี้ยไม่ใช่มีหน้าที่อย่างอื่นคือจิต ภ, ภวาวนาเนี่หละเป็นเรื่องใหญ่ของพระทีเดียวละ่ะอันนี้คือชีวิตจิตใจของพระจริงๆคือภาวนาเนี่ย ส่วนทำมาค้าขายอย่างอื่นเป็นหน้าที่ของครวอหน้าที่ของพระคือปฏิบัติภาวนาหาทางค้นทุกข์เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระทแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นพวกเราได้บวชมานะว่าเป็นผู้โชคดีเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจละภาวนาพยายามทําจิตใจให้สงบแต่มันไปยากไป มันสู่กระแสะโลกไม่ไหวโดยมากมันโลกมันดึงดูดถ้าไปไม่เข้มแข็งไม่มีทันติไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาจริงๆมันดึงดูดโลกดึงดูดได้แต่ถ้าว่าเราเข้มแข็งจริงๆโลกมันก็ดูดไม่ได้เหมือนกันนะั่นแ่ะเราไปให้เหนือกว่ า, าเจนโลกดึงดูดไม่ได้ก็ดึงดูดไม่ได้ถ้าถ้าว่าไปต่าๆโลกมันดึงดูดได้เลย ราคาโศษาโมหามันดึงดูดลงมาไปหมดน้น่ะเดี๋ยวนี่พระของพวกเรานันรู้สึกว่านาวิตกเหมือนกันน่ะมันก็คงอย่างที่พระพุทธเจ้าทำนายเอาไว้นั่นล่ะต่อไปห้า0ันปีพระจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ท่านก็ทำนายไว้มันน่าฟังเหมือนกันสรุปแล้วก็คือรวยแหลมลงไปเรื่อยๆเมื่อโพงยังทรงพระชนอยู่ก็เป็นฝุกแผ่นแ่นนาเมื่อพระองค์ปรินิพานลงไปก็มีแต่ภาษาวก พอสยบปรงมาณระดับหนึ่งพออาจิติมหาสาวกท่านป ร, รินิพานไปแล้วต่อมาก็ยังมีพระหันก็ยังอุ่นหนาฝาข้างอยู่ต่อมาก็มีพระหันไม่มากเหมือนในครั้งก่อนก็เลยแหลมลงมาเรื่อย เ, อยเือยอย่างเนี้ยจนถึงยุคปัจจุบันครูบาอาจารย์ของเราพยายามเน้นหนักสอนลุกติดลุกหาอย่างพวกเราเราทันทานก็พยายาม ดูนั่นนะดูครูบาอาจารย์นั่นแนะ่ะท่านปฏิบัติยังไงอดทนยังไงการอยู่การฉันการหลับการนอนอริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้อยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยปฏิบัติตนให้ถูกนั่นนะตอนนี้ไปก็จะให้นั่งสมาธินะ่ทีนีนะ